ถ้าการศึกษาพัฒนาคนให้มีความสุขด้วยชั้นทาได้จะริยธรรมไม่หนีไปไหนถึงตรงนี้ก็จะต้องเน้นด้วยว่าการพัฒนาความสุขนั้นเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนาสังคมและเป็นการพัฒนาธรรมะอย่างอื่นๆไปด้วยพร้อมทั้งหมดโดยเฉพาะที่เรามักพูดกันบ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาคือเรื่องจริยธรรม บางทีก็พูดคู่กันว่าศาสนากับจริยธรรมโดยโยงเรื่องจริยธรรมไปเป็นเรื่องของศาสนาเมื่อโยงอย่างนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าการพัฒนาความสุขนั่นแหละเป็นการพัฒนาจริยธรรมและในทางกลับกันการพัฒนาจริยธรรมก็ต้องเป็นการพัฒนาความสุขทั้งนี้ถ้าทำถูกต้องก็จะรู้ความหมายที่แท้ ทั้งของจริยธรรมและของความสุขด้วยในเมื่อพูดถึงจริยธรรมก็เลยขอตั้งข้อสังเกตรแทรกไว้เป็นพิเศษว่าจริยธรรมในความหมายที่เราใช้กันนี้มักจะเป็นไปในเชิงที่ให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างจะฝืนใจทาอย่างเช่นจะให้คนประพฤติดีก็คิดกันพูดกันว่าต้องไม่ทำโน่นต้องไม่ทานี่ที่เป็นการเสียหาย ไม่ทำบาปไม่ทำชั่วมักให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าฝืนใจหรือจำใจต้องทำทีนี้ถ้ามองตามหลักธรรมที่แท้การพัฒนาจริยธรรมก็เป็นด้านหนึ่งของการพัฒนาความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่แท้ก็ต้องเป็นจริยธรรมแห่งความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่ฝืนใจหรือเป็นไปด้วยทุกข์ก็ยังเป็นจริยธรรมจริงไม่ได้ เอาดีไม่ได้และจะไปได้ไม่ไกลก้าวไม่ถึงไหนที่ว่านี้ไม่ใช่หมายความว่าจริยธรรมจะไม่มีการฝืนใจเสียเลยก็มีบ้างและที่จะมีการฝืนใจนั้นก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งในขั้นต้นๆอาจมีการฝืนบ้างเหมือนในการบวกอาจมีลบบ้าง แต่พอเข้าทางดีแล้วเป็นจริยธรรมแท้เป็นนักฝึกที่ก้าวหน้าก็บวกไปบวกไปของที่ร้ายก็หลุดหายไม่ต้องมัวลบเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาก็แจกกันไปแจกกันไปจนเต็มแล้วก็แจกออกไปให้อย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างกันของมนุษย์ สำหรับคนพวกหนึ่งที่พระเรียกว่าพวกทุกข์ขาปฏิปทาก็จะฝืนใจมากสักหน่อยแต่พอเต็มใจฝืนอยากฝืนตัวเองก็กลายเป็นฝึกแทนที่จะทุกข์ที่ต้องฝืนก็กลายเป็นสุขที่ได้ฝึกทีนี้ก็เดินหน้าได้และอาจจะไปถึงขั้นดีอันนี้ก็ขอตั้งเป็นข้อสังเกตสำคัญไว้ เมื่อพูดถึงจริยธรรมแล้วก็โยงไปถึงการศึกษาก็เลยซ้อนเข้ามาด้วยคือคนเรานี้ทางพระท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจะดีเลิศประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกการฝึกก็คือศึกษาศึกษาก็คือพัฒนาพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาโดยคนต้องฝึกตนให้ดียิ่งขึ้น เอาดีได้ด้วยการฝึกจะอยู่แค่สัญชาตญาณไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจะดีจะเลิศจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกก็แสดงว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นเองที่จะต้องเจริญงอกงามขึ้นไปด้วยการศึกษา จึงย้ำไว้ให้ชัดอีกทีว่ามนุษย์คือสัตว์ที่ต้องศึกษาทีนี้ถ้าการศึกษาเดินไปถูกทางเป็นไปด้วยดีก็จะต้องเป็นการศึกษาที่มีความสุขคือศึกษาด้วยความสุขหรือเป็นการศึกษาแห่งความสุขถ้าคนไม่มีความสุขก็ต้องสงสัยว่ายังไม่ใช่การศึกษาที่แท้ยังไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้อง การศึกษานั้นพัฒนาชีวิตคนเมื่อคนมีการพัฒนาด้วยการศึกษาชีวิตของเขาก็พัฒนาขึ้นไปขึ้นไปเขาก็ดำเนินชีวิตได้ถูกได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นการดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องนั้นนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมเพราะฉะนั้นจริยธรรมกับการศึกษาจึงต้องมาด้วยกัน แต่ที่จริงไม่ต้องบอกว่าต้องหรอกเพราะมือมันเป็นธรรมชาติพอถูกต้องแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเองควรพูดหมายว่าจริยธรรมกับการศึกษาจึงมาด้วยกันนี่ก็หมายความว่าตัวมนุษย์นี้เป็นสัตว์ซึ่งมีธรรมชาติที่จะต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาต้องมีการศึกษาและเมื่อศึกษาถูกต้อง เป็นไปตามธรรมชาติของเขานั้นสอดคล้องกันแล้วเขาก็จะยิ่งเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นการศึกษาก็จึงเป็นการพัฒนาความสุขไปด้วยและพร้อมกันนั้นรวมอยู่ด้วยกันก็พัฒนาทุกอย่างที่อยู่ในตัวคนนั้นก็คือพัฒนาคนหมดทั้งตัวพัฒนาทั้งคนพัฒนาทั้งชีวิตของเขานั่นเองเนี่ยละ มันจึงไปด้วยกันที่ว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสุขการศึกษาเป็นการพัฒนาจริยธรรมการพัฒนาจริยธรรมเป็นการพัฒนาความสุขและอื่นๆอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในนี้ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นละว่าถ้าทำเหตุปัจจัยถูกต้องก็ไม่ต้องไปเรียกไปร้องธรรมชาติก็เป็นไปของมันเอง ท่านว่าเมื่อเกิดปิติแล้วกายใจก็เรียบรื่นผ่อนคลายไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องแม้แต่ตั้งใจปัสสิก็ตามมาตามธรรมดาของธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนแม่ไก่อยากเห็นลูกไก่ก็ขึ้นไปกกไข่ตามเวลาพอถึงวาระลูกไก่ก็กระทอบเลือกไข่ออกมาแต่ถ้าแม่ไก่ไม่ขึ้นไปกกไข่ ถึงจะไปยืนตะโกนร้องทั้งวันที่หน้าเราทั้งเหนื่อยเปล่าและไข่ก็เนา่าไม่ว่าลูกเต่าหรือลูกไก่ก็ไม่ออกมาสมัยก่อนเลิกสงครามโลกใหม่ๆรถยนต์ยังไม่ทันสมัยเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าอย่างเดียวนี้เวลาจะออกรถต้องเอาคนที่ล่ําสันแข็งแรงมายืนหน้ารถออกแรงเต็มที่หมุนเหล็กสตาร์ท บางทีกว่าเครื่องจะติดสตาร์ทรถได้เหนื่อยแทบแยกแต่เดี๋ยวนี้เอานิ้วขยับนิดเดียวเครื่องก็ติดสตาร์ทรถได้ทันทีตรงนี้คือให้แยกและต่อกระบวนการของมนุษย์กับกระบวนการของธรรมชาติเราจะใช้ประโยชน์จากกระบวนการของธรรมชาติเราก็จัดทํากระบวนการของมนุษย์ขึ้นมาเรียกกระบวนการของธรรมชาติให้ทํางานจะเหนื่อยจะยากลําบากนักหนาหรือไม่ ก็ในตอนกระบวนการของมนุษย์ที่ว่าทำอย่างไรจะเชื่อมให้กระบวนการของธรรมชาติมารับช่วงต่อไปได้ถ้าจัดกระบวนการของมนุษย์โดยเฉพาะในขั้นสมมุติให้ดีให้มีประสิทธิภาพได้พอเชื่อมให้กระบวนการของธรรมชาติมารับช่วงไปมนุษย์ก็สบายลงไปนั่งหัวเราะได้เปรีมปรีถ้าทาได้ถูกต้องตรงอย่างนี้ ตัวคนนั้นก็ไม่ต้องฝืนใจคนอื่นจนถึงรัฐก็ไม่ต้องมาใช้อำนาจบังคับซ้อนขึ้นไปอีกทีหน้าที่ของมนุษย์ก็คือแค่รู้เหตุปัจจัยแล้วทำให้ถูกต้องไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปฝืนแต่สำหรับบางคนบางทีถ้าจะไม่ฝืนธรรมชาติกลายเป็นฝืนใจตัวเองก็ต้องหักเต็มใจฝืน และพอเต็มใจฝืนอยากฝืนตัวเองได้แล้วการฝืนนั้นกลายเป็นการฝึกไปธรรมชาติก็จะเดินหน้าพาเก้าไปเองที่นี้ดังที่ว่าแล้วการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณสมบัติอื่นๆที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและชีวิตของเขาก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้น และเมื่อเขาดำเนินชีวิตที่ดีงามได้การดำเนินชีวิตที่ดีงามนั้นเราเรียกว่าจริยธรรมนี่คือความหมายของการศึกษาของจริยธรรมเป็นต้นตามหลักพระพุทธศาสนาและทีนี้คำว่าพุทธศาสนาที่เราพูดในที่นี้ก็เป็นการพูดโดยเอาภาษามันเป็นเครื่องสื่อสาร คือถ้าพุทธศาสนาเป็นความจริงสอนหรือบอกความจริงคำที่บอกที่สอนนั้นก็คือธรรมชาตินั่นเองว่าไปตามธรรมดาอย่างนั้นเองเราก็พูดเป็นคำซ้อนเชิงภาษาว่าพุทธศาสนาแสดงธรรมไปตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือเราใช้คำว่าพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายหมายถึงคำบอกความจริงของธรรมชาติเรื่องที่พูดมาในช่วงนี้เป็นการขอแทรกเข้ามาให้สังเกตไว้ก่อนคือให้ดูเรื่องการศึกษาหรือการพัฒนาจริยธรรมว่าจะต้องเป็นการศึกษาแห่งความสุขเป็นจริยธรรมแห่งความสุขจึงจะเป็นของแท้จริงเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาความสุขถ้าการศึกษายังเป็นไปด้วยความฝืนใจขาดความฝ่ายฝึกคือไม่มีความต้องการที่จะฝึกตนคนก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ก็ไม่สามารถเป็นการศึกษาที่แท้และจริยธรรมก็เป็นจริยธรรมแบบจำใจเมื่อเป็นจริยธรรมแบบจำใจก็ไม่สามารถเป็นจริยธรรมที่จริงแท้ได้